สชจิสูตรว่าด้วยพระอัศชิ88สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชกรึสมัยนั้นท่านพระอัศชิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักพักอยู่ที่กัสปะการามครั้งนั้นท่านพระอัศชิเรียกภิกษุผู้อุปถากทั้งหลายมากรา ว, ว่า มาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวตามคำของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุอสัชิอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมภิกษุอัศชิถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณสนีภาพกลั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปเยี่ยมท่านพระอัศชิถึงที่อยู่ท่านพระอัศชิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกล จึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอัสชิดังนี้ว่าอย่าเลยอัสชิเธ อ, อย่าลุกจากเตียงเลยเราจะนั่งบนอัศนะที่ปูลาดไว้นั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามว่าอาัสชิเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรืออาการทุเลาปรากฏ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 ความจริงข้าพระองค์รําคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าขา่าอัสชิเธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ข้าพระองค์ติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าขา้าอัสชิถ้าเธอติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรําคาญทุรนทุรายไปทําไม เมื่อก่อนข้าพระองค์ระ ง, งับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกบรรเทาความป่วยไข่ยอยู่จึงไม่ได้สมาธิเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิจึงคิดอย่างนี้ว่าเรายังไม่เสื่อมจากสมาธินั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะอัสชิสมณพรามทั้งหลายที่มีสมาธิมีแก่นสารมีสมาธิเป็นคุณแห่งสมณะ เมื่อไม่ได้สมาธินั้นจึงคิดว่าเรายังไม่เสื่อมจากสมาธินั้นหรืออัจชิเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแลอริยสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้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 ถ้าเธอเสวยอทุคขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุคขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุคขมสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุ ข, ขเวทานานั้นถ้าอริยส า, าวกนั้นเสวยเวทานามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทานามีกายเป็นที่สุดถ้าอริยส า, าวกเสวยเวทานามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าความเสวยอารมณ์ทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลิน จะเย็นในโลกนี้ทีเดียวอสชิเพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นจึงหมดเชื้อดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายแล้วก็รู้ชัดว่าความเสวยอารมณ์ทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกทีเดียวอสัชชิสูตรที่หจบเจ็ดเคมะกะสูตร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 ทาสกะมกล่าวว่ามาเถิดท่านทาสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านเขมกะพระเทระทั้งหลายถามถึงท่านว่าเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเลิบขึ้นหรืออากาศทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขม ก, กะถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าท่านเขมกกะพระเถระทั้งหลายถามถึงท่านว่าเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุลาปรากฏ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 อุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณท่านเขมกะพิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไรในอุปทานขันห้าประการนี้ท่านพระทัสกกะ รับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขม ก, กะถึงที่อยู่ท่านเขมะ ก, กะพระเถระทั้งหลายฝากมาถามว่าท่านผู้มีอายุอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วได้แก่หนึ่งรูปูประธานขันห้ 5. วิญญาณูประธานขันท่านเขม ก, กะพิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไร ในอุปทานขันห้าประการนี้ท่านผู้มีอายุอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปทานขันหวิญญาณูปทานะขันผมให้พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรในอุปทานขันห้าประการนี้เลยครั้งนั้น ท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถวระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมากะกล่าวว่าอุปทานขันห้าประการ น, นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปู ป, รปรทานาขันหวิญญาณูปทานาขันผมไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรอะไร ในอุปทานขันห้าประการนี้เลยมาเถิดท่านทัสกะท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมะกะถึงที่อยู่แล้วบอกว่าท่านเขมะกะพระเถรรัทั้งหลายฝากมาถามว่าอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูปทานขันห้าวิญญาณูปทานขันทราบว่า หากท่านเขมะกะไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรๆในอุปทานขันห้าประการนี้เลยถ้าเช่นนั้นท่านเขมะ ก, ะกะก็เป็นพระอรหันต์ีนาศพท่านพระทาสการับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมะกะถึงที่อยู่ท่านเขมะกะพระเทราทั้งหลายฝากมาถามว่าอุปทานขันห้าประการนี้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 ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปโอปทานขคัญห้าวิญญาณูปทานอคัญผมไม่พิจารณาเห็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไระไรในอุปทานขันห้าประการนี้และผมก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ตีณาศกแต่ผมเข้าใจว่าเรามีในอุปทานขันห้าประการ และผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถวรา ท, ทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเขมมกะกล่าวว่าอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วได้แก่หนึ่งรูปูประธานขัน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 ท่านเขมกะคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านพระทศกะรับคําแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าท่านเขมกะพระเถวราทั้งหลายฝากมาถามว่าคําที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านกล่าวว่าเรามีรูปกล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวว่าเรามีเวทนา สัญญาสังขารท่านกล่าวว่าเรามีวิญญาณกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณท่านเขมกกะคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั่นคืออย่างไรพ่อทีเถิดท่านทัสกกะการเดินไปเดินมาบ่อยๆนี้จะมีประโยชน์อะไรท่านจงหยิบไม้เท้ามาผมจะเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายเอง ลำดับนั้นท่านพระเขมะกะยันไม้เท้ากข้าไปหาพระเทวระทั้งหลายถึงที่อยู่สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระเทวระทั้งหลายได้ถามว่าท่านพระเขมะกะคคำที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไร กล่าวว่าเรามีนอกจากรูปท่านกล่าวว่าเรามีเวทนามีสัญญาสังขารท่านกล่าวว่าเรามีวิญญาณกล่าวว่าเรามีนอกจากวิญญาณท่านเขมกะคําที่ท่านกล่าวว่าเรามีนั้นคืออย่างไรท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่ได้กล่าวว่าเรามีรูปทั้งไม่ได้กล่าวว่าเรามีนอกจากรูป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 ประการพระอริยสาวกละได้แล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังยอมถอนมานะฉันทะและอนุสัยอย่างละเอียดในอุปทานขันห้าประกาศว่าเรามีไม่ได้ต่อมาท่านพิจารณาความเห็นเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าประการว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้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 และอนุสัยก็ถูกเพิกถอนขึ้นได้ผ้าสกปรกเปื้อนมนทินเจ้าของผ้ามอบผ้านั้นให้แก่ช่างซักผ้าช่างซักผ้าขยยี้ผ้านั้นในน้ำด่างเกลือน้ำด่างขี้เท้าหรือในโคลไมแล้วซักในน้ำให้สะอาดผ้านั้นสะอาดก็จริงแต่ผ้านั้นก็ยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างเกลือน้ำด่างขี้เท้า หรือกลิ่นโคไมทยที่ติดอยู่ช่างซักผ้ามอบผ้านั้นคืนให้เจ้าของไปเจ้าของเก็บผ้านั้นใสไว้ในหีบด้วยอบกลิ่นแม้ผ้านั้นจะยังไม่หมดกลิ่นน้ำด่างเกลือกลิ่นน้ำด่างคิดเท่าหรือกลิ่นโคลมัยที่ติดอยู่แต่กลิ่นนั้นก็หายไปแม้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 ตามที่ท่านบอกแสดงบัญญตัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายแล้วโดยพิสดารท่านพระเขมะกะได้กล่าวอย่างนี้แล้วพระเถวราทั้งหลายมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทิ์ของพระเขมะกะก็เมื่อท่านพระเขมะกะกล่าวเวยากรณภาสิทิอยู่จิตของพระเถวระประมาณหกสรูป และของท่านพระเคมกกะก็หลุดพ้นจากอศสวะเพราะไม่ถือมั่นเคมกกะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ฉชันนะสูตรว่าด้วยพระช น, นะเกสมัยหนึ่งพระเทวราชจำนวนมากอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนามาริกธายวัน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 รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เท er ี่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงเป็นอนัตตาลำดับนั้นท่านพระชนะได้มีความคิดว่าแม้เราก็มีความคิดว่ารูปไม่เที่ย anyway, ง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 เป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำรอกราคะเป็นที่ดับทุกเป็นที่ดับตันหาความสะดุ้งกลัวอุปทานก็เกิดขึ้นใจจึงท้อถอยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าเป็นอัตราของเราแต่ความคิดอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นธรรมใครเล่าจะแสดงธรรมแก่เรา พอที่เราจะเห็นธรรมได้ลำดับนั้นท่านพระชนะได้มีความคิดต่อไปว่าท่านอนน์นี้อยู่นาโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีซึ่งพระศาสดาทรงสารเสริญและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก็ยกย่องจะสามารถแสดงธรรมแก่เราพอที่เราจะเห็นธรรมได้ อันหนึ่งเราก็มีความคุ้นเคยในท่านอานน์มากทางที่ดีเราควรเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่ต่อมาท่านพระฉันนาก็เก็บเสนาสนะแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นเที่ยวระลึกถึงกันแล้ว นั่งนที่สมควรได้กล่าวว่าท่านอาโนนสมัยหนึ่งผมอยู่ณนะป่าอิสิปตนามรุกขทยวันเขตกรุงพละนสีคลั้นในเวลาเย็นผมออกจากที่เหลีกเรินถือลูกดานเดินเข้าออกวิหารได้กล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงตักเตือนพร่ำสอนแสดงธรรมีกถาแก่ผมพอที่ผมเห็นทำได้ เมื่อผมกล่าวอย่างนี้แล้วพระเถระทั้งหลายได้กล่าวว่าชนนะรูปไม่เทียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงรูปเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เทียงทำทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านผู้มีอายุผมได้มีความคิดว่าแม้เราก็มีความคิดว่า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 พอที่เราจะเห็นธรรมได้ท่านผู้มีอายุผมได้มีความคิดต่อไปว่าท่านอานอน์นี้อยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีซึ่งพระศาสดาทรงสารเสริญและเพื่อนพระมารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก็ยกย่องจะสามารถแสดงธรรมแก่เราพอที่เราจะเห็นธรรมได้ อั น, นึงเราก็มีความคุ้นเคยในท่านอานอน์มากทางที่ดีเราควรเข้าไปหาท่านอานอน์ถึงที่อยู่ขอท่านอานอน์จงตักเตือนพร่มสอนแสดงธรรมมีคถาแก่ผมพอที่ผมจะเห็นธรรมได้เถิดท่านอานอน์กล่าวว่าแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ผมก็พอใจยินดีกับท่านฉันนะ ท่านันนะได้ทำความเห็นให้ชัดแจ้งทำลายความดื้อดึงแล้วท่านฉันนะท่านจงเงียโสดลงท่านสมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งลำดับนั้นปิติและปราโมทอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระชนนะด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่าเราสมควรรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งท่านพระอานน์กล่าวว่าท่านฉันนะ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 เมื่อบุคคลเห็นความดับของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความไม่มีในโลกก็ไม่มีกัจจายนะโดยมากโลกนี้พัวพันอยู่ด้วยอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุถือมัน่นแต่อริยาสาวกนี้ไม่เข้าไปยึดมั่นอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งถือมัน่นและนอนเนื่องว่า อตาของเราไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยว่าทุกนั่นแลเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับไปอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจเจยนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิกัจเจยนะ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 เพราะอาวิชานั่นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคาสาระสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ท่านพระชนะกล่าวว่าท่านอานอนุ์ข้อที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เช่นกับท่านเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งประโยชน์ว่ากล่าวพร่ำสอน ย่อมเป็นอย่างนั้นและเพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านอาโนนผมจึงได้บรรลุธรรมชนะสูตรที่แปดจบเกราหุลสูตรว่าด้วยพระราหุลเกเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น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 ว่าด้วยพระราหุลสูตรที่สอง92เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราหุล น, นั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงปราศจากอาหางการมะมังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณนี้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 เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้ใจจึงปราศจากอาหางการมะมังการและมานานุสัสในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้วทุติยราหุละสูที่สิบจบเทรวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง อนันทสูตรสองติดสูตรสามยมกกะสูตรสี่อนุราทสูตรห้าวักลิสูตรหกอสชิสูตรเจ็ดเคมกกะสูตรแปดันนสูตรเก้าราหุลสูตรสิบทุติราหุลสูตร